เอ่อสําหรับวินัยนี้เป็นระเบียบที่ท่าน <c oughs> มี 15 อย่างใน 15 คือ 1 น, น ก, ง, ถ, ถ <c oughs> 2 อย่าสนใจกับอารมณ์ของความชั่วสนใจกับอารมณ์ของความชั่วสาม 4 อย 15 บรมี 10 อยู่ 5 ศรัทธาความเชื่อใน 6 7 8 9 สติเป็นผู้ไม่ลืมตัว <c oughs> 12 ปฐมฌาน 13 ทุติยฌาน 14 จตุกกฌาน 14 ตติยฌาน 15 จตุกกฌานสิ่งทั้งหลายทั้งหมด แล้วก็จงอย่าลืมคําว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกา โดยละอาการสิ่งทั้ง 3 พระวินัยนี้ต้องปฏิบัติให้ๆมี 4 3 อยู่ 4 ฉัญญาดรได้น้ำมดเนา 4 1 2 3 ข้า 4 พูดพูดๆเมื่อบวช 3 อย่างคือสมาธิปัญญา ศีลก็หมายถึงว่าการสำรวม แต่ฝ่าฝืนมลายจะถือว่าสําหรับ ปัญญาท่านบอกว่าการรอบรู้ ในข้อต่อไปถึงกล่าวว่าโทษที่คือความชั่ว อุนัย 1 ปาจิตตีย์ 1 ปาจิตี 1 ทุกกฏ 1 1 ว่าเป็นบลาจิกก็ไปบวชใหม่ก็ ท่านอันนี้ไม่จริงอีก 5 อย่าง นบนิวังจินดยศสามิ การขโมยเป็นของไม่ดีมัน ที่ชั่วมันก็ชั่วแล้วนรกเปิดคอย นึกก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ ถ้าขืนชัยแบบนี้อีกก็จะทั้ง ความจริงอาจสิ่งนั้นอาจจะไม่ อันนี้ก็เลยต้องอาบัติเพราะ ถ้าสงสัย 1, สส ทำ, สส1 ม, า, 15 น, 10 น, น, 4 ข้อว่าศีลและสมาธิเราถึง ที่ไม่ได้มาใน 13 อง, 30 92 เสขกิจวัตร 75 รวม 220 นับ 227 เนี่ยท่านที่ต้องปราชิกแล้วไป โลอย่างนี้ลงนรกเป็นแถวมิดา หมดดีหมดดีที่สมณปาราชิกท่านบอก <c oughs> ว่าร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วง ถ้าเราจะเลวแบบนั้นไม่ได้ <c oughs> ถ้าของส่วนกลาง 1 สลึง 1 5 227 จะ นี่มันไม่ต้องมาตั้ง อบุราชิกทุกสิกขาบทสิกขาบทที่สําคัญที่สุดก็เรื่อง ตอนนี้มาจิกคำบทข้อที่ 3 ภิกษุ ถ้าความจําเป็นมันเกิดขึ้นใครก็ปืน นี่สําหรับที่ข้าบทข้อที่ 4 โอด้วยเจตนาอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นอบัติปราจิกอัน <c oughs> ไยจะเป็นพระอบัติศีลและสมถะเราถึง ยิ่งบาร์สี่ถ้ามีครบไม่ สงฆ์ภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับ มีสตรีบางคนแกถึงกับจะตาย <c oughs> ยกมือทําท่าเกี่ยวเขียนหนังสือจด Timber คลอยเสียงอะไรก็ตามตาม แต่ว่าถ้าสามีมีปัญญา ต้องทําโดยประมาณคือโดยยาว 12 ต, 7 คืบ 12 กว้าง 7 นี่หมายความ 7 แม้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากว่าสงรับรองน่ะขึ้นสังกัดนั่น แต่การจดไอ้ลอยการบอกอบัตชั่วหยาบแก่ก็ไม่ <c oughs> 14 ภิกษุภาคเพียรเพื่อทำลายสงให้ ภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสอนสวยกรรมเพื่อ 13 มิสุปทุสสะรายตระกูลคือไปจบคฤหัต ก็นี่สําหรับบรรดาพระสงฆ์ทั้ง แล้วก็ไป